ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานิเทศก็แลธรรมะคืออริยามรรคแปดที่ตรัสไว้ในนิเทศแห่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เป็นอันจำแจ้งโดยใจความแล้วแม้ในขันธานิเทศก็จริงแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวเพื่อให้ทราบความแปลกกันแห่งธรรมะทั้งแปดนั้นอันเป็นไปในขณะเดียวกัน สัมมาทิฏฐิแท้จริงว่าโดยสังเขปปัญญาจักสุอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถอนอวิชชานุสัยขึ้นได้แห่งพระโยคีผู้ปฏิบัติเพื่อแทงตลอดซึ่งสัจจะสีนั่นแหละชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นมีความเห็นชอบเป็นลักษณะมีอันประกาศความแท้จริงเป็นกิจ มีการทำลายความมืดคืออวิชชาเสด้เป็นผลสมมาสังกัปปะความยกจิตขึ้นเฉพาะสู่ทางไปพระนิพพานอันสัมปยุทธ์ด้วยสมาธินั้นกำจัดมิจฉาสังกัปปะออกเสได้แห่งพระโยคีผู้มีทิฏฐิอันถึงพร้อมแล้วอย่างนั้นชื่อสมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะนั้นมีความยกจิตขึ้นถูกทางเป็นลักษณะมีอัปปนาคือความตรึกแน่วอยู่ในทางเป็นกิจมีการละมิจฉาสังกัปปะได้เป็นผลสัมมาวาจาความงดเว้นจากมิจฉาวาจา อันสัมประยุทธ์ด้วยสัมมาสังกัปปะนั่นแหละถอนวจีทุจริตขึ้นเสียได้แห่งพระโยคีผู้เห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิและตรึกอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะอย่างนั้นชื่อสัมมาวาจาสัมมาวาจานั้นมีความกำหนดถือเอาคือประมวลสัมประยุติ ธ, ธรรมไว้เป็นลักษณะ มีความละเว้นเป็นกิจมีความละมิจฉาวาจาได้เป็นผลสัมมารกรมมันตะความงดเว้นจากกายทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้นอันสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาวาจานั้นแหละตัดมิจฉากกรรมมันตะได้ขาด แห่งพระโยคยีผู้เว้นอยู่ด้วยสัมมาวาจายอย่างนั้นชื่อว่าสัมมากรรมมันตะสัมมากรรมมันตะนั้นมีการพยุงสัมปยุต ธ, ธรรมไว้เป็นลักษณะมีความละเว้นเป็นกิจมีการละมิจฉากรรมมันตะได้เป็นผลสัมมาอาชีวะ ส่วนความงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะอันสัมปยุต ด, ด้วยความงดเว้นที่เป็นความหมดจดแห่งสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะนั้นเข้าไปตัดเสียได้ซึ่งอเนสนามีความล่อลวงเป็นต้นแห่งพระโยคีนั้นอันใดความงดเว้นนั้นชื่อว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนั้น มีความสะอาดแห่งอาชีวะเป็นลักษณะมีอัญยางอาชีวะที่ชอบธรรมให้เป็นไปเป็นกิจมีการละมิจฉาอาชีวะเสียได้เป็นผลสัมมาวายามะลำดับนั้นวิริยาวรพะอันอนุรูป แกสัมมาอาชีวะนั้นสัมปยุตด้วยสัมมาอาชีวะนั่นแหละตัดโกสัชเยไดขาดแห่งพระโยคีนั้นผู้ตั้งมั่นอยู่แล้วในภูมิแห่งศีลกล่าวคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั้นอันใดวิริยรมพะนั้นชื่อว่าสัมมาวายามะ สัมมาวายามะนั้นมีการประคองจิตไว้เป็นลักษณะมีสัมมปทานสี่อันยังอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นกิจมีอันละมิจฉาวายามะเสได้เป็นผลสัมมาสติ ความไม่ลืมแห่งใจอันสัมปยุตด้วยสัมมาวายามะนั่นแหลกกำจัดมิจฉาสติออกเสดได้แห่งพระโยคีนั้นผู้เพียรพยายามอยู่อย่างนั้นชื่อว่าสัมมาสติสัมมาสตินั้นมีการตั้งสติไว้มั่นเป็นลักษณะมีความไม่ลืมเป็นกิจมีการละมิจฉาสติได้เป็นผล สัมมาสมาธิเอกคตาแห่งจิตอันสัมประยุทธ์ด้วยสัมมาสตินั่นแหละทำลายมิจฉาสมาธิเสยได้แห่งพระโยคีนั้นผู้มีจิตอันเป็นสติชั้นยอดเยี่ยมรักษาอยู่อย่างนั้นชื่อสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นมีความไม่สายไปแห่งจิตเป็นผลแหละ นี้เป็นในยะแห่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานิเทศวินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้นในอริยสัจนี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนนีวินิจฉัยโดยกิจแห่งญาณข้อว่าโดยกิจแห่งญาณความว่า กัดิษพึงทราบวินิจฉัยโดยกิจแห่งสัจจยานคือความรู้อริยสัจด้วยก็สัจจยานมีสองคืออนุโหทยานความรู้โดยรู้ตามปฏิเวทยานความรู้โดยตรัสรู้ในยานสองอย่างนั้นอนุโหทยานเป็นโลกยะเป็นแปนนิโรธละมัก ด้วยอำนาจการได้ฟังกันมาเป็นต้นปฏิเวทยานเป็นโลกุตระทำนิโรธให้เป็นอารมณ์แล้วแทงตลอดสัจจะทั้งสี่ได้โดยกิจมีกาหนดรู้สัจจะเป็นต้นดังพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นทุกขะสมุทัยด้วยย่อมเห็นทุกขะนิโรธด้วย ย่อมเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาด้วยดังนี้เป็นตน้นคำพระบาลีแห่งนี้บัณฑิตพึงนำมากล่าวให้หมดเถิดอังกฤษแห่งปฏิเวทยา น, นั้นจักมีแจ้งในตอนว่าด้วยยาณัทสนวิสุทธิก็แลสัจญานที่เป็นโลกยญานิใดในโลกยะญาณนั้น ทุกขยานความรู้ในทุกข์ย่อมอย่างสักกายทิฏฐิอันเป็นไปด้วยอำนาจความครอบงำเอาไว้อย่างกลุ่มรุมให้กลับสมุททยายานความรู้ในสมุ ท, ทยัยย่อมอย่างอุเฉททิฏฐิให้กลับนิโรทยานความรู้ในนิโรทย่อมอย่างสัสตทิฏฐิให้กลับ มกคยานความรู้ในมรย่อมยังอกิริยทิฏฐิให้กลับในยะหนึ่งทุกขยานอย่างความปฏิบัติผิดในผลกล่าวคือความสำคัญว่ายั่งยืนว่างามว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวตนในขันทั้งหลายอันปราศจากความยั่งยืนความงามความเป็นสุขความเป็นตัวตนให้กลับ สมุททยาญาณอย่างความปฏิบัติผิดในเหตุอันเป็นไปโดยความนับถือในสิ่งที่ไม่ใช่เหตุว่าเป็นเหตุเช่นว่าโลกย่อมเป็นไปโดยท่านผู้เป็นใหญ่คือพระอิศวรหรือพระเจ้าโดยสิ่งที่เป็นประธานการและโดยสภาวะความเป็นเองเป็นต้นให้กลับนิโรธญาณ อย่างความปฏิบัติผิดในนิโรธอันได้แก่ความถือว่าความหลุดพ้นมีในอรูปโลกและในโลกกูทปิกาคือภูมิที่ถือว่าเป็นยอดโลกเป็นต้นให้กลับมัรคยานอย่างความปฏิบัติผิดในอุบายที่เป็นไปโดยอำนาจความถือในสิ่งที่ไม่ใช่ทางแห่งวิสุทธิอันต่างโดยการมาสุขคาริกานุโยก และอัตตากิลมัานุโยคว่าเป็นทางแห่งวิสุทธิให้กลับเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่านรชนยังไม่รู้แจ้งสัจจะทั้งหลายอยู่ตราบใดเขาก็ยังหลงงมงายอยู่ในเรื่องโลกในเหตุเกิดแห่งโลกในนิพพานอันเป็นที่ดับแห่งโลกและในอุบายเครื่องเข้าถึงนิพพานนั้นอยู่ตราบนั้น วินิจชัยโดยกิจแห่งยานในอริยสัจนี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชะนี้ประการหนึ่งโดยประเภทแห่งธรรมะที่นับเข้าในอริยสัจข้อว่าโดยประเภทแห่งธรรมะทั้งหลายที่อยู่ภายในคือนับเข้าในอริยสัจ ด, ดังนี้ ความว่าเว้นตันหาและอนาสาวธรรมทั้งหลายเสียโลกียธรรมที่เหลือทั้งปวงนับเข้าในทุกขสัตต์ตันหาวิจาริตสามนับเข้าในสมุททยาสัตต์นิโรธไม่เจอ่อนกับอะไรโดยมุกหรือหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิ วิมังสิทธิบาทปัญญินรียปัญญาภละและธรรมวิจยะสัมโพชงนับเข้าในมรรคสัตต์โดยอัประเทศหรือข้ออ้างคือสัมมาสังกัปปะวิตกษามีเนคขมวิตกเป็นต้นนับเข้าในมรรคสัตต์โดยอัประเทศคือสัมมาวาจา วจีสุจริตสนับเข้าในมรรคสัตต์โดยอัประเทศคือสัมมากรรมตตะกายะสุจริตสามนับเข้าในมรรคสัตต์โดยมุก ค, คือสัมมาอาชีวะอปิจิตาและสันตุทิตานับเข้าในมรรคสัตต์หรือหนึ่ง สัตทินสีสัทธาภละและฉันทิติบาทก็นับเข้าในมักขสัตเพราะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะและสัมมาอาชีวะทั้งหมดนั้นเป็นอริยกัรตศินและเพราะอริยกันตศินเป็นธรรมะที่พึงรับไว้ด้วยมือคือสัทธาเพราะเหตุที่สัตทินสีสัทธาภละและฉันทิติบาท มีศีลจึงมีวิริยินทรีย์วิริยาภละและวิริยาสัมโพชงนับเข้าในมัคคสัตต์โดยอัประเทศคือสัมมาสติสติปฐานศีสตินสินรียสติภลและสติสัมโพชงนับเข้าในมัคคสัตต์โดยอัประเทศคือสัมมาสมาธิ สมาธิสมีสวิตตะ ก, กะสวิจาระสมาธิเป็นต้นจิตตะสมาธิคือจิตติดที่บาทสมาธินสีสมาธิภละปิติสัมโพชงปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบขาสัมโพชงนับเข้าในมรรคสัจแล วินิจฉัยโดยประเภทแห่งธรรมะทั้งที่อยู่ภายในอริยสัจนี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนี้ประการหนึ่งโดยอุปมาข้อว่าโดยอุปมาความว่าก็แลทุกขสัตย์พึงเห็นเหมือนของหนัก สมุททยาสัตว э so like ์เหมือนการถือของหนักนิโรธาสัตว์เหมือนกับการวางของหนักมัคคสัต์เหมือนอุบายคือวิธีวางของหนักอนหนึ่งทุกขสัตว์เหมือนโรคสมุททยาสัตว์เหมือนเหตุของโรคนิโรธาสัตว์เหมือนความหายโรคมัคคสัตว์เหมือนยา หรือว่าทุกขสัตย์เหมือนขาดแคลนอาหารสมุทยรยศตส์เหมือนฝนไม่ดีนิโรธาสัตว์เหมือนมีอาหารสมบูรณ์มรคสัตย์เหมือนฝนดีสัจจะสีน่นี้บัณฑิตพึงทราบโดยประกอบการอุปมาด้วยคนมีเวณมูลแห่งเวณภัยความถอนเวณและอุบายถอนเวณ โดยต้นไม้มีพิษรากของต้นไม้การตัดรากและอุบายตัดรากนั้นด้วยไพร์มูลแห่งไพรความปราศจากไพรและอุบายบรรลุความปราศจากไพ ร, รนั้นด้วยฝั่งในห่วงน้ําใหญ่ฝั่งนอกและความพยายามที่ให้ข้ามห่วงน้ําไปถึงฝั่งนอกนั้น บัรดิตพึงทราบโดยประกอบการอุปมาดังนี้บ้างก็ได้วินิจฉัยโดยอุปมาในอริยสัจนี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชะนี้โดยจดตุกะเป็นและไม่เป็นอริยสัจสี่ข้อว่าโดยจดตุกะความว่า ก็ในอริยสัจสี่นี้สิ่งที่เป็นทุกข์แต่ไม่เป็นอริยสัจก็มีสิ่งที่เป็นอริยสัจก็มีสิ่งที่เป็นอริยสัจแต่ไม่เป็นทุกข์ก็มีสิ่งที่เป็นทั้งทุกข์ทั้งอริยสัจก็มีสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอริยสัจก็มีในอริยสัจที่เหลือมีสมุทัยเป็นต้น ก็ในยะนี้ในจัตุกะนั้นธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมรรคและสามัญญผลทั้งหลายชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์ตามพระบาลีว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แต่ไม่เป็นอริยสัตว์นิโรธเป็นอริยสัตว์แต่ไม่เป็นทุกข์ ส่วนอริยสัตว์สองนอกนี้คือสมุทัยและมรรคพึงเป็นทุกก็ได้เพราะไม่เที่ยงแต่ว่าพระโยคาวจรนอยู่ประพฤติพรมจันทร์ในพระผู้มีพระภาคนั้นเพื่อกำหนดรู้ทุกใดมิใช่เป็นทุกโดยความเป็นทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นทุกขเพราะไม่เที่ยงมิใช่เป็นทุกโดยเป็นปรินยยธรรม ส่วนอุปาทานขันห้าเว้นแต่ตัญหาเป็นทั้งทุกข์ทั้งอริยสัจโดยอาการทั้งปวงธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมรรคและสามัญญผลทั้งหลายไม่เป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์สำหรับกำหนดรู้แห่งพระโยคาวจรผู้อยู่ประพฤติพระมรร์ในพระผู้มีพระภาคคือไม่เป็นทุกข์โดยปรินยยธรรม แตเป็นทุกข์โดยเป็นสังขาระทุกข์ดังกล่าวในบทแรกทั้งไม่เป็นอริยสัจวินิจชัยในอริยสัจนี้โดยจักตุ ก, กะโดยประกอบความเข้าตามควรในอริยสัจอื่นมีสมุทัยเป็นต้นด้วยบัณฑิตพึงทราบโดยนัยะดังกล่าวมาชนีประการหนึ่ง โดยว่างเปล่าในสองข้อว่าโดยว่างเปล่าและโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยว่างเปล่าก่อนเพราะเมื่อว่าโดยปรมัตสัจจะทั้งสิน้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นของว่างเปล่าเพราะไม่มีผู้เสวยผู้ทาคือผู้สร้างผู้ดับและผู้เดิน เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าอันทุกขมีอยู่แท้แต่ใครๆผู้เสวยทุกข์ไม่มีผู้ทําไม่มีแต่การกระทํามีอยู่แท้ความดับมีอยู่แต่คนผู้ดับไม่มีทางมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีอีกไนยะหนึ่ง ความว่างในสัจจะสี่นั้นพึงทราบดังนี้คือสัจจะสองข้างต้นว่างจากความยั่งยืนความงามความสุขและความเป็นตัวตนอมตะบทคือนิโรดว่างจากความเป็นตัวตนมักเป็นจากความยั่งยืนความสุขและความเป็นตัวตน หรือว่าสัจจะสามว่างจากนิโรธและนิโรธก็ว่างจากสัจจะสามที่เหลือหรือว่าในสัจจะสีน่นี้สัจจะที่เป็นเหตุว่างจากสัจจะที่เป็นผลเพราะไม่มีทุกข์ในสมุทยัยและไม่มีนิโรธในมรรคเหตุหาร่วมคันกับผลดังเช่นปกติหรือประพฤต ของพวกปกติวาทีไม่และผลเล่าก็ว่างจากเหตุเพราะถูกกับสมุทยัยและนิโรธกับมรรครวมกลุ่มกันไม่ได้ผลหาร่วมอยู่ในเหตุเป็นเหตุผลคือผลร่วมเหตุดังเช่นทวีอนุ ก, กับผลผลเกิดแต่อนุสองเป็นต้นของพวกสมาวายวาทีไม่ เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคําประพันธ์ไว้ว่าในสัจจะสีน่นี้สัจจะสามว่างจากนิโรดนิพุติคือนิโรธเล่าก็ว่างจากสัจจะสามนั้นสัจจะที่เป็นเหตุว่างจากสัจจะที่เป็นผลสัจจะที่เป็นผล น, นั้นเล่าก็ว่างจากสัจจะที่เป็นเหตุ พึงทราบวินิจฉัยโดวยว่างเปล่าดังกล่าวมาชนนี้ก่อนโดยอย่างต่างมีอย่างเดียวเป็นต้นข้อว่าโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้ น, วยยตว น, ตนความว่าก็แลในสัจจะสีน่นี้ทุกทั้งหมดเป็นอย่างเดียวโดยเป็นประวัติ คือความหมุนไปแห่งสังสารเป็นสองโดยเป็นนามและรูปเป็นสาโดยต่างแห่งอุปาติภพคือกามาภบรูปภบรูปภเป็นสี่โดยแยกตามอาหารสี่ที่เป็นปัจจัยเป็นห้าโดยแยกเป็นอุปาทานขันห้า แม้สมุทัยก็เป็นอย่างเดียวกันโดยเป็นประวัติกะผู้ยังสงสารให้หมุนไปเป็นสองโดยเป็นสัมปยุตกับทิฏฐิและไม่สัมปยุตกับทิฏฐิเป็นสามโดยต่างแห่งกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาเป็นสี่ โดยเป็นโทษที่พึงละด้วยมรสีเป็นห้าโดยแยกเป็นความมุ่งยินดีในอารมณ์ห้ามีมุ่งยินดีในรูปเป็นต้นเป็นหกโดยแยกเป็นกองตันหาหกส่วนนิโรธเป็นอย่างเดียวโดยเป็นอสังกตธาตุแต่โดยปริยายเป็นสอง โดยเป็นสอุปาทิเศตและอนุปาทิเศษเป็นสามโดยเป็นความสูญไปแห่งภพสามเป็นสี่โดยเป็นธรรมะที่พึงบรรลุด้วยมรรคสี่เป็นห้าโดยเป็นความหายไปแห่งความมุ่งยินดีห้าเป็นหกโดยเป็นความทาลายไป แห่งกองตันหาหกส่วนมรรคเป็นอย่างเดียวโดยเป็นภาเวตัพธรรมเป็นสองโดยแยกเป็นสมถะและวิปัสนาหรือโดยแยกเป็นทัศนะคือโสดาปติมรรคและภาวนาคือสกัทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค เป็นสามโดยต่างแห่งธรรมะขันธ์สามแท้จริงมากนี้เพราะเหตุที่มีองค์เป็นส่วนย่อยท่านจึงสงเคราะห์คือรวมเข้าด้วยธรรมะขันธ์สามซึ่งเป็นส่วนรวมเหมือนเมืองรวมเข้าด้วยแคว้นนี้ดังพระธรรมทินนาเทรีกล่าวแก้ปัญหาของวิสาขอุบาสกว่าอาวุโสวิสาข ขันสามท่านมีได้สงเคราะห์เข้าด้วยอริยามารมีองค์แปดหลอกแต่ว่าอาริยามารมีองค์แปดต่างหากท่านสงเคราะห์เข้าด้วยขันสามอวุโสวิาสาขะสัมมาวาจาได้ด้วยสัมมากรรมตะได้ด้วยสัมมาอาชีวะได้ด้วยธรมะสามประกาศนี้ท่านสงเคราะห์ด้วยศีลขันสัมมาวายามะได้ด้วย สัมมาสติใดด้วยสัมมาสมาธิใดด้วยธรรมะสามนี้ท่านสงเคราะห์ด้วยสมาธิขันสัมมาทิฏฐิใดด้วยสัมมาสังกัปปะใดด้วยธรรมะสองนี้ท่านสงเคราะห์ด้วยปัญญาขันดังนี้เพราะในอริยามรรคนี้ธรรมะสามประการมีสัมมาวาจาเป็นต้น เป็นศีลแท้เพราะเหตุนั้นธรรมะสามประการนั้นท่านจึงสงเคราะห์เข้าด้วยศีละขันธ์โดยความมีชาติเสมอกันก็แลในพระบาลีท่านทำนิเทศไว้โดยภรรมูมิวจนะว่าศรรีลกะขันเทก็จริงแต่ก็พึงทราบเนื้อความโดยเป็นกรณะวจนะคือเป็นศีละขันเทนะเถิด ส่วนในธรรมะสามประการมีสัมมาวายามะเป็นต้นสมาธิมิอาจแนบแน่นโดยความเป็นหนึ่งในอารมณ์โดยธรรมดาของต้นได้ต่เมื่อวิริยะ ร, รมกิจคือประคองจิตไว้ให้สำเร็จและสติธทรรมกิจคือไม่ฟั่นเฟือนไปให้สำเร็จอยู่สมาธิเป็นธรรมะได้รับอุปการะดังนั้นแล้วจึงอาจแนบแน่นได้ ต่อไปนี้เป็นอุปมาในธรรมสามประการนั้นเหมือนอย่างว่าในสหายสามคนผู้เข้าไปสู่อุทยานด้วยประสงค์ว่าจากเล่นนักขัตฤกษ์ต่างว่าสหายผู้หนึ่งเห็นต้นจำปามีดอกบานงามก็เอื้อมมือขึ้นไปแต่เก็บไม่ถึงคนที่สองจึงก้มตัวลงให้หลังแกส่สหายผู้นั้นสหายผู้นั้น แม้ยืนอยู่บนหลังสหายผู้หนึ่งเหยียบยันไหลสหายผู้หนึ่งจึงเลือกเก็บดอกไม้ตามชอบใจมาประดับกายเล่นนักขัดเริกได้ชันใดข้ออุปมาันนี้ก็พึงเห็นฉันนั้นอันธรรมะสามประการมีสัมมาวายามะเป็นต้นเป็นธรรมะเกิดร่วมกันเปรียบเหมือนสหายสามคนผู้เข้าสู่อุทยานด้วยกัน อารมณ์ของสมาธิเหมือนต้นจำปามีดอกบานงามสมาธิที่ไม่อาจแนบแน่นโดยความเป็นหนึ่งแน่ในอารมณ์โดยธรรมดาของตนได้เหมือนสหายผู้แม้เอื้อมือขึ้นไปแล้วแต่เก็บไม่ถึงวายามะเหมือนสหายผู้ก้มหลังให้สติ เหมือนสหายผู้ยืนเอียงไหลให้เมื่อวิริยะคือกิจคือการประคองจิตให้สำเร็จและเมื่อสติอย่างกิจคือไม่ฟันเฟื่อนไปให้สำเร็จอยู่สมาธิเป็นธรรมะได้รับอุปการะดังนั้นแล้วจึงอาจแนบแน่นโดยความเป็นหนึ่งแน่ในอารมณ์ได้เปรียบเหมือนในสหายสามคนนั้น ผู้หนึ่งยืนบนหลังอีกคนหนึ่งเหยียบยันไหลของคนหนึ่งจึงสามารถเก็บดอกไม้ได้ตามชอบใจฉะนั้นเพราะเหตุนั้นในธรรมะสามประการนั้นสมาธิอย่างเดียวท่านสงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันโดยความมีชาติเสมอกันส่วนวายามะและสติเป็นธรรมะที่ท่านสงเคราะห์เข้าโดยกิริยา คือเป็นธรรมะอุดหนุนสมาธิแม้ในสัมมาธิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเล่าปัญญาก็มีอาจตัดสินอารมณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยธรรมดาของตนได้ต่อเมื่อวิตกแค่แค่ให้จึงอาจตัดสินได้ข้อนี้อย่างไรเหมือนอย่างว่า เฮรันยิกวางเหรียญกระสาบลงที่ฝ่ามือแล้วแม้เป็นผู้ใคร่จะตรวจดูในทุกส่วนของเหรียญก็มีอาจใช้เปลือกตาพลิกดูได้เลยต่อใช้ข้อนิ้วมือจับพลิกไปมาจึงอาจดูส่วนนั้นส่วนนี้ได้ฉันใดปัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอาจตัดสินอารมณ์โดยว่าไม่เที่ยงเป็นต้นโดยธรรมดาของตนได้ต่อวิตก ซึ่งมีการปักจิตลงไปเฉพาะในอารมณ์เป็นลักษณะมีการกระทบอารมณ์เป็นรถดังว่าแค่เอามาให้และดังว่าพลิกเอามาให้นั่นแหละจึงอาจตัดสินได้เพราะเหตุนั้นแม้ในองค์มรรคสองนี้ก็สมัมราทิฏฐิเท่านั้นท่านส่งเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขันโดยมีชาติเสมอกัน ส่วนสัมมาสังกัปปะเป็นธรรมะที่ท่านสงเคราะห์เข้าโดยเป็นกิริยาคือเป็นองค์อุดหนุนมักถึงความสงเคราะห์เข้าด้วยธรรมคือขันสามนี้ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงว่ามักเป็นสามโดยต่างแห่งธรรมะคือขันสาม มรคนั้นเป็นสี่ด้วยอำนาจแห่งมรสี่มีโซดาปฏิมรเป็นต้นอีกนนยะหนึ่งสัจจะทุกข้อจัดว่าเป็นอย่างเดียวเพราะเป็นธรรมะไม่กลายเป็นไม่จริงหรือเพราะเป็นอภินเยยยธรรมเป็นสองโดยเป็นโลกิยะและโลกุตระ หรือโดยเป็นสังคตะและอาสังคตะเป็นสามโดยเป็นธรรมะที่ต้องละด้วยทัศนะและภาวนาและโดยเป็นธรรมะที่ไม่ต้องละเป็นสี่โดยต่างแห่งกิจมีเป็นธรรมะที่พึงกาหนดรู้เป็นต้นแล วินิจฉัยโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นในอริยสัจนี้พึงทราบดังกล่าวมาช น, นี้โดยมีส่วนเสมอกันและไม่เสมอกันข้อว่าโดยสภาคและวิสภาก ค, คือมีส่วนเสมอกันและไม่เสมอกัน ความว่าสัจจะทุกข้อมีส่วนเสมอกนและกันโดยเป็นธรรมะไม่กลายเป็นไม่จริงหนึ่งโดยเป็นธรรมะว่างเปล่าจากอัตตาหนึ่งและโดยการแทงตลอดที่ทำได้ยากหนึ่งดังพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไข้อที่บุคคลพึงยิงลูกศรจากทไกล ให้ผ่านช่องลูกดานช่องเล็กๆให้ลูกซ้อนลูกตามกันไปมิให้พลาดกันหรือข้อที่บุคคลจะพึงใช้ปลายขนสัตว์ผ่าเป็นเจ็ดยิงไปให้ถูกปลายขนสัตว์ที่เป็นเป้าข้อไหนทําได้ยากกว่าสําเร็จได้ยากกว่าพระอานุนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่บุคคลจะพึงใช้ปลายขนสัตว์ผ่าเป็นเจ็ด ยิงไปให้ถูกปลายคนสัตว์ที่เป็นเป้านั่นแหละทำได้ยากกว่าสำเร็จได้ยากกว่าตรัสว่าอานน์บุคคลผู้ที่แทงทะลุตามเป็นจริงว่านิทุกขจนถึงนิทุกขานิโรธาคามิมีปฏิปทายังแทงให้ทะลุได้ยากยิ่งกว่ายิงขนสัตว์ด้วยขนสัตว์นั้นไปอีกนะดังนี้ แต่สัจจะทุกข้อนั้นมีส่วนไม่เสมอกันโดยกำหนดต่างกันไปตามลักษณะของตนของตนอันหนึ่งสัจจะสองข้างต้นจัดว่ามีส่วนเสมอกันเหตุเป็นสภาพลึกเพราะอัตถาว่ายากที่จะยังเหตุเป็นโลกิยธรรมและเป็นสาสวาธรรมด้วยกัน แต่มีส่วนไม่เสมอกันโดยแยกกันเป็นผลฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุฝ่ายหนึ่งและโดยฝ่ายหนึ่งเป็นปริญเยยธรรมฝ่ายหนึ่งเป็นปหาตภธรรมสัจจะสองข้างปลายเล่านับว่ามีส่วนเสมอกันเหตุเป็นธรรมะอย่างได้ยากเพราะเป็นธรรมะลึก เหตุเป็นโลกุตระธรรมและเป็นอนาสวัธรรมด้วยกันแต่มีส่วนไม่เสมอกันโดยแยกกันเป็นวิสยะคือแดนดับทุกฝ่ายหนึ่งและเป็นวิสีคือทางไปสู่แดนนั้นฝ่ายหนึ่งและโดยฝ่ายหนึ่งเป็นสัจจิกาตัพธรรมฝ่ายหนึ่งเป็นพาเวตพธรรม อันหนึ่งเล่าสัจจะที่หนึ่งกับที่สามมีส่วนเสมอกันโดยเป็นข้อนี้ว่าเป็นผลด้วยกันแต่มีส่วนไม่เสมอกนโด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นสังคตาธรรมและฝ่ายหนึ่งเป็นอสังคตธรรมข้างฝ่ายสัจจะที่สองกับที่สี่มีส่วนเสมอกัน โดยเป็นข้อที่ถูกชี้ว่าเป็นเหตุด้วยกันแต่มีส่วนไม่เสมอกันโดยฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลส่วนเดียวและฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลส่วนเดียวฝ่ายข้างสัจจะที่หนึ่งกับที่สี่มีส่วนเสมอกันโดยเป็นสังกัตธรรมด้วยกันแต่มีส่วนไม่เสมอกัน โดยฝ่ายหนึ่งเป็นโลกิยธรรมและฝ่ายหนึ่งเป็นโลกุตระธรรมแม้สัจจะที่สองกับสามเล่าก็มีส่วนเสมอกันโดยเป็นเนวะเสขานาเสกขธรรมธรรมะของพระเสขะก็ไม่ใช่ของพระอเสขะก็ม่ใช่ด้วยกันแต่มีส่วนไม่เสมอกันโดยฝ่ายหนึ่ง เป็นสารมณฑธรรมธรรมะมีอารมณ์และฝ่ายหนึ่งเป็นอนารมนฑธรรมธรรมะไม่มีอารมณ์ผู้มีสติปัญญาพึงทราบความที่อริยสัจมีส่วนเสมอกันและไม่เหมือนกันโดยประการและโดยนัยยะดังกล่าวมาชนิี้แลปริเฉต ท, ที่สิบหก ชื่ออินเทิ ي าสัจจานิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโม้แห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชตที่16คหกคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสะเทระรจนา